อย่างวิปากจิตกิริยาจิตพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นอัตถะยานอันถึงความแตกฉานในอัตถะนั้นของพระอริยบุคคลผู้พิจารณาอัตถะนั้นอยู่ชื่อว่าอัตถปฏิสัมพิทาส่วนคําว่าธรรมโมว่าโดยสังเขปคือโดยย่อดได้แก่ปัจจัยจริงอยู่ปัจจัยนั้นย่อมให้คือย่อมให้เป็นไปและย่อมให้ซึ่งผลนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมะก็คือตัวปัจจัยตัวที่แต่งผลให้เกิดขึ้นได้ แต่อย่าลืมว่าในโลกนี้เหตุดียวทำผลเดียวให้เกิดได้ไหมไม่ได้เหตุหลายอย่างทำให้เกิดได้แต่ผลอย่างเดียวใช่ไหมได้ไหมหลายเหตุแต่ผลเดียวไม่ได้เหตุเดียวผลเดียวไม่ได้เหตุเหตุดียวผลหลายก็ไม่ได้เหตุหลายผลเดียวก็ไม่ได้จริงๆแล้วก็มาจากเหตุหลายอย่างผลหลายอย่าง เอาแล้วทําไมจึงแสดงเหตุเดียวผลเดียวเพราะวัตถุประสงค์ที่ที่เราประสงค์จะพูดเรียกว่าเอาตามความประสงค์ของผู้จะแสดงเป็นหลักอย่างเช่นว่าเรามาที่นี่มาเพราะเหตุเดียวใช่ไหมเพราะรถอย่างเดียวเนี่ยทําให้เรามาได้พูดอย่างนี้ได้ไหมอย่างเดียวเท่านั้นแหละทําให้มาได้ไม่ได้เห็นไหมก็หมายถึงว่าตอนนั้นอ่ะฝนไม่ตกหนักด้วยนะอย่างนั้ น, นก็ต้องปัจจัยอีกตั้งเยอะนะกว่าจะได้มานะ แต่มาที่นี่มาแค่มาถึงใช่ไห่ผลอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ก็อย่างอื่นอีกตามมาอีกบานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ได้เหตุเดียวผลเดียวแต่ว่าเหตุเดียวทำให้มีผลหลายอย่างก็ไม่มีผลหลายอย่างเนี่ยนะเออเหตุเหตุเห ต, เหตุหลายอย่างทำให้มีแค่ผลเดียวไม่มีแต่ว่ามีประโยชน์ในการแสดงเหตุเดียวผลเดียวแต่ก็มีประโยชน์นะอย่างแสดงว่าวิชาเป็นปัจจัยสัปสังขาร สังขารไม่ได้เกิดจากอาวิชชาอย่างเดียวที่ไหนสังขารด้นนแก่เจตนาคือชาวนะมันเกิดทั้งโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยสัมปยุจะธรรมโดยปัจจัยอื่นๆทั้งเยอะแต่ว่ายกอวิชชาเป็นปัจจัยโดยเหตุผลที่สําคัญพวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเรียนรู้ว่าปัจยุปบรรทั้งหลายที่ไล่ไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่างั้นพอเป็นตัวอย่างนี่นะที่ฉันโตมาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูฉันใช่ไหม พูดอย่างนี้อย่างเดียวได้ไหมคนอื่นไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้นั่นนะเนี่ยฉันเรียนจบได้เพราะครูคนเดียวแท้ๆเลยนะพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกนั่นแหละถ้าพ่อไม่ส่งเรียนครูจะไปสอนใครอ่ะกันดิมันก็เหตุตั้งเยอะอแต่เมื่อว่าโดยประเภทแล้วธรรมะห้าประการนะเหตุให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะจับคู่กันกับข้างบนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าตัวเหตุ เหตุนะเหตุที่จะทําให้เกิดปัจญาสมุปปนะธรรมข้างบนน่ะเอาข้อมาชนกันได้เลยนะอย่างข้างล่างนี่เรียกว่าปัจัยอ่ะเหตุให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่งชื่อเต็มๆเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทข้างบนเนี่ยนะหรือว่าปัจจญาสมุปปนะธรรมก็ได้ทำที่เป็นเหตุที่จะทําให้มีผลต่อไปอ่ะถ้าข้างบนเป็นนิพพานปัจจัยข้างล่างธรรมะก็เป็น อริยมรรคถ้าข้างบนเป็นอัตถกถาข้างล่างก็ต้องเป็นพระพุทธพจน์เนรียมดยส่วนข้างบนเป็นวิบากกิริยาเอ่อเป็นวิบากข้างล่างก็เป็นกุศลอกุศลแต่ว่ากิริยาเนี่ยนะตัวตัวเหตุของกิริยาจริงๆคืออริยมรรคเนี่ยอริยมรรคเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งกิริยาจิตโดยเฉพาะมหากิริยาเนี่ยนะรูปาวจรกิริยาอารูปาวจรกิริยานี่มี อริยมรรคเป็นปัจจัยแต่ถ้าเป็นมโนทวาราวัชนาจิตกับปัญจทวาราวัชนาจิตเนี่ยนะอันนั้นมีผวังเป็นปัจจัยฉันสรุปว่าปัญญาที่รู้ผลเรียกว่าอัคตปฏิสัมพิทาปัญญาที่รู้เหตุเรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทา ยานอันถึงความแตกฉานดังกล่าวไปเนี่ยนะเรียกว่าอัฏถธรรมะปฏิสัมพิทาเนื้อความต่อไปนี้มาในพระพิธรรมปิดกเนี่ยนะคือคำภีปฏิสัมพิธาวิพังจะ แ, แยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นอัถฐอะไรเป็นธรรมะว่าความรู้แตกฉานในทุกคือทุกขสัจจะเนี่ยนะชื่อว่าอัฏถปฏิสัมพิทาความรู้แตกฉานในทุกขสมุ ท, ทยัยชื่อว่าธ ร, รมะปฏิสัมพิทา ความรู้แต่ฉานในทุกขานิโรธคือนิพพานเป็นชื่อของอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้แต่ฉานในทุกขานิโรธามิมนีปฏิปทาชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทานั้นก็คือความรู้อริยสัจนั่นนะนั้นรู้อัถฐรู้ธรรมะก็เรียกว่ารู้อริยสัจถ้าอริยะทุกท่านเนี่ยนะจะต้องได้ปฏิสัมพิทาอย่างน้อยสองตัวนี้ก่อนเหมือนกันทุกท่านเลยจะต้องได้ปฏิสัมพิทาตัวนี้ ถ้าริยะทั้งหมดเนี่ยนะแม้แต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะต้องรู้ทุกขสัจสมูทัยสัจมขสัจนิโรธสัจเหมือนกันหมดแต่ว่าจะเอามาแสดงจะเป็นนิรุติหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปัจจัยเนี่ยนะหรือสมูทัยเนี่ยก็ก็รู้แหละนี่นั้นถ้าว่าโดยย่อๆก็คือปัญญาที่รู้อริยสัสนั่นแหละนะแต่เป็นการรู้แบบแยกแยะประเภทได้ นะเนี่นพูดถึงแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอะไรแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเห็นไหมเขอบอกว่าแล้วแต่เหตุเหตุมีหกใช่ไหมแล้วแต่ปัจจัยละ่ะปัจจัยยี่สิบสี่เอา้าแล้วจะเอาเหตุไหนปัจจัยไหนดีเคยถามนะเออพรุ่งนี้จะไปเรียนธรรมะไหมเขาบอกแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยประมาณนั้นฟังเข้าใจยากเหตุ <laughs> <laughs> ไหนก็ไม่รู้นะถามกว็ว่าเหตุหกปัจจัยยี่สิบสี่ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ แล้วแต่คนที่บ้านว่ามันซึ่งมันมันไม่ใช่เหตุปัจจัยอะไรที่นี่สักอย่างเลยอ่ะดีก็ใช้คําไม่ถูกกันนะมันคนเนี่ยเรียกว่าเรียนไปพอได้สับไปเยอะก็ใช้แล้วใช่ไปใช่มาก็ยังไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเลยนะติดมากเลยนะฉั้นคําว่าเหตุปัจจัยเนี่ยก็หมายถึงนีงนะ่นะพะฉันตัวปัจจัยที่บางแห่งเนี่ยคําว่าเหตุกับคําว่าปัจจัยเนี่ยนะเป็นชื่อของสิ่งเดียวกันนะ เหตุปัจจัยสมุทัยนิทานปภาวะอะไรพวกนี้เป็นชื่อของสิ่งเดียวกันแต่ในที่นี้คําว่าถ้าอย่างในปัฏฐานเนี่ยคําว่าเหตุกับคาว่าปัจจัยนี่ต่างกันเหตุนี่แคบใช่ไหมหมายถึงเหตุหกถ้าปัจจัยหมายถึงปัจจัยยี่สิบี่เนี่ยนะองค์ธรรมก็ต่างกันด้วยก็ปัจจัยกว้างกว่าเหตุทีนี้ชวนตรงนี้เนี่ยนะคาว่าธรรมะ เ, เน้นไปที่สมุทัยศัพท์กับ มัคคสัตว์เรียกว่าธรรมะนะถ้ากล่าวโดยอริยสัจสี่เนี่ยนะตัวสมุทัยกับตัวมัคเนี่ยนั้นใครรู้ธรรมะตรงนี้เนี่ยก็สูงมากเลยนะจะต้องเข้าใจธรรมะนะถ้าธรรมะตรงนี้เนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมากเลยบรรลุเลยนะถ้าต้องรู้ธรรมะตรงเนี้ยนะแล้วแต่ธรรมะเนี่ยถ้าต้องถ้ารู้ธรรมะขนาดนี้ก็บรรลุเลยแหลนะถ้ารู้สมุทัยสั์กับรู้มัคสัตว์ถ้ารู้อัตถะถ้า ต้องเข้าถึงอัฏฐะนะอัฏฐะก็ต้องหมายถึงทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์เนี่ยนะนี่เรียกว่าเข้าถึงอัฏฐะแท้จริงเนี่ยนะแล้วก็ไตรคําคทั้งหลายเนี่ยก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้พูดเป็นหลักอนะครานี้มีความประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้อสังเกตหรือว่าเข้าใจธรรมะจริงๆก็เลยเน้นว่าธรรมะจะต้องหมายถึง สภาวะหรือว่าสิ่งที่มีจริงแล้วครับคือธรรมะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยนะแปลได้เยอะนะธรรมะแปลว่าเหตุก็ได้ธรรมะเนี่ยแปลว่าปกติก็ได้อย่างเช่นชาติปิทุกข์อ่ะไรนะชาติชราพยาธิธรรมโตชาติชราพยาธิมรณะธรรมเนี่ยนะชาติชราพยาธิมรณะธรรมธรรมะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปกติ ปกติของขันห้านี่จะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คือปกติของขันห้าแต่บอกว่าโซกะปริเทวะทุกโทมานสัสุปายาสะธรรมะธรรมะตัวนั้นแปลว่าเหตุหมายถึงว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาน้นธรรมะบางทีแปลว่าเหตุก็ได้แปลว่าปกติก็ได้อย่างธรรมะตรงนี้เน้นไปที่ปัจจัยหรือเหตุ แต่ถ้าเป็นที่อื่นนะอย่างในพระวินัยปิดกเลยนะคําว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อของอาบัตนะท่านทั้งหลายอาบัตเอ่อปราชิกธรรมสี่ข้าพระเจ้าแสดงขึ้นแล้วแล้วเนะนั้นคําว่าธรรมะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงหมายถึงอาบัตเนี่ยนะถ้าถ้าปฏิเสธนะครับว่าบัญญัติไม่ใช่ธรรมะเนี่ยจะมีโทษอะไรนะบางทีบัญญัตินี้เป็นชื่อของธรรมะเป็นบัญญัติก็เป็นธรรมะอีกเหมือนกัน แต่คําว่าธรรมะเนี่ยนะแล้วแต่มันมันอยู่ที่ความประสงค์ของผู้พูดจริงๆอย่างผู้พูดในยุคนี้ไม่รู้ว่าพูดให้เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าหรือพูดให้เอาเอ า, เอามาอยู่แคบแต่ตัวเองบัญญัติขึ้นเนี่ยนะก็ก็ทุกทุกวันเนี่ยก็แล้วแต่เขาจุดประสงค์ของเขาเขาเขาประสงค์จะพูดให้สิ่งให้รู้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่าที่จะประกาศคําสอนเนี่ยนะเพราะคําสอนเองก็ไม่ได้ถือว่าทุกอย่างแล้วแต่ ธรรมะเพราะคำว่าธรรมะมันก็กว้างเกินกว่าที่จะเอามาพูดนะนะมันก็เหมือนกันแล้วแต่เหตุอะแล้วแต่เหตุเนี่ยเหตุมันก็กว้างเกินไปอ่ะวันนี้จะได้กินข้าวไหมก็บอกก็แล้วแต่เหตุวันนี้จะไปเที่ยวไหมก็แล้วแต่เหตุเนี่ยพูดไม่รู้เมื่อจะให้เข้าใจยังไงอะนะเข้าใจยากมากพูดแล้วก็เออนี่เขามีคําอย่างหนึ่งนะเขาไว้ปลอบใจกันเออเกิดแกิเจ็บตายมันธรรมดาเขาว่ากันธรรมดาไหมธรรมดา แต่ว่าถ้าธรรมดาในคำพีท่านบอกว่าท่านรู้แล้วท่านบรรลุนะของเราก็รู้ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมรู้ก็เหมือนเดิมอะอนะอาถ้ารู้ธรรมดานี่รู้สัจจะอะไรของท่านวิเคราะห์เป็นนรรยศาสตร์ได้ใช่ไหมเพราะถ้าธรรมดาเนี่ยนะเช่นธรรมะธรรมดาตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของปกติว่าปกติของสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้นี่แหละอย่างขยะทำ ม, มังปฏิจจะทำ ม, มังเป็นต้นเนี่ยนะ ธรรมดาของเขามันเป็นอย่างนี้จริงๆมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะขยะธรรมมาขยะธรรมมาวยะธรรมมาสังขาราเนี่ยขยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอหรือทำทั้งหลายไม่เที่ยงเสิ่อสิ้นไปเสื่อมไปพวกนี้เป็นเชื่อของขันห้าทั้งนั้นว่าธรรมดาของขันห้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไอ้คำว่าธรรมดาในที่นั้นแปลว่าปกติของเขา ซึ่งจะต่างจากคําว่าธรรมะในปฏิธ ร, รมะปฏิสัมพิทาตรงนี้ธรรมะตรงนี้หมายถึงปัจจัยหมายถึงเหตุอย่างเช่นทีนี้คําว่าเหตุเนี่ยนะคําว่าเหตุในในปฏิสัมพิทาเนี่ยไม่ใช่แบบแบบลักษณะว่าเหตุอันนี้ผลอันนี้มีเช่นอริยมรรคเป็นเหตุแห่งพระนิพพานเนี่ยใช่ไหมเหตุจริงๆของพระนิพพานใช่ไหมอริยมรรคเป็นตัวสร้างนิพพานใช่ไหม ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเหตุให้แทงตลอดพระนิพพานสมเหมือนอุปมาเหมือนว่าเอ่อรถเป็นเหตุเชียงใหม่เป็นผลรถใช่ไหมเป็นตัวไปสร้างเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่แต่รถในฐานะเป็นเหตุให้เดินทางถึงเชียงใหม่ฉันใดเนี่ยนะเอ่อตัวมรรคที่เป็นธรรมะปฏิสัมพิธาก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวสร้างนิพพานแต่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน เพรานั้นคำว่าเหตุไม่ได้แปลว่าเป็นตัวที่ไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าในแง่สมูทายศัสตร์เนี่ยนะเหตุเหตุที่เป็นสมูทายศัสตร์เป็นตัวสร้างทุกขสัจขึ้นจริงๆถ้าไม่มีตันหาขันห้าเจริญเกิดไม่ได้เนี่ยนะตันหาเนี่ยเป็นเหมือนกับมารดาที่ทําให้ขันห้าเนี่ยเกิดจริงๆอันนี้อันเนี้ยเป็นเหตุจริงเนี่ยนะเป็นปัจจัยจริงๆเป็นตัวสร้างจริงๆเต็ม อริยมรรคเนี่ยที่เป็นเหตุแห่งพระนิพพานเนี่ยนะเป็นเหตุคือเป็นเครื่องดําเนินให้ถึงพระนิพพานแต่ไม่ได้ในฐานะผู้สร้างพระนิพพานแต่ตัณหาเนี่ยสร้างทุกจริงเนี่ยนะความรู้แตกฉานในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้แตกฉานในผลอันเกิดจากเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาเนี่ยนะ ธรรมะเหล่าใดเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วความรู้แตกฉานในธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรร ม, ปมปะปฏิสัมพิทาเออขอไปอัตตาปฏิสัมพิทาพูดอีกในหนึ่งนะเขาบอกว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเดียวเรายแยกแยกได้อะ่ะแยกแยกว่าอทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคืออะไรคือรูปเช่นรูปประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างอะนะไล่ได้หมดเลยอย่างนี้ชื่อว่ารู้พอเป็นตัวอย่างนะนี้พูดเป็นตัวอย่างนะ อันนี้เป็นรู้อัตถะปฏิรู้อัตถะปัญญาที่แตกฉานในอัตถะอย่างนี้เรียกว่าอัตถะปฏิสัมพิทาแยกแยะออกหมดเลยเช่นเห็นดอกไม้เนี่ยแยกแยมีกี่รูปอย่างเงี้ยเอาแล้วดอกไม้เนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตอะไรบ้างไงนะจิตอะไรไปรู้ดอกไม้นี่บ้างเป็นต้นแยกออกได้หมดเลยอย่างเงี้ยอะไรเป็นอะไรเนี่ยแยกได้หมดเรียกว่ารู้รู้อัตถะเนี่ยนะรู้อัถะ ธรรมะเหล่านั้นเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วจากธรรมะเหล่าใดความรู้แตกฉานในธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทา <fue lled> พูดอีกใงหนึ่งว่าถ้าเรามองทุกอย่างเป็นมหาภูตรูปได้แล้วหาปัจจัยของมหาพูดเหล่านั้นนนั้ได้และมหาพูดเหล่านี้นจะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปได้อีกบ้างไอการแยกแยะลักษณะแบบนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะ เพราะผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะเป็นการฝึกเจริญปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานตั้งกต่แรกแต่จะบริบูรณ์จริงๆก่อเมื่อเห็นอริยสัจเ์นะแต่ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจ์ชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์